ขันธ์เมียงตีตะปัจเจเวขณะพัดังธนาม่เสนธ์เมียงปัจเจเวกิตวายงที่ว่งปริภุตางที่วันใดเราหุนผมแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ทั้งยาวะเทวสิตัสสะปฏิกาสยา พิวานัาดาวนุ่มหมแล้วเพเพื่อบำบัดความห้าวรุนหัสปฏิทาใาเพื่อบำบัดความร้อนกรางสมาการสวัสดาสฏิทินสัพพะสัมปัสนาปฏิทายจเพื่อบาบัดสัมผัสันเกิดจากเถือยุงลงแดดแรศจเพื่อทานทั้งหลาย ชาวาเทวาอิริโกวินาปาติชาตนาชาแม้เพียงเพื่อปกปิดเทวายาวันให้เกิดความะ้ายอาจัมมายาอาปาเจเวกิเทวายโยปินดาปโตปริกุตโตปินดาบาดใจอันเราทันแล้วไม่ทันที่จรนานในวันนี้โตเดวาเทวายา เพีเท่าบาทฐานเราทำแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพื่อเพลินสนุกสนานนามาตายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกายนามันทนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนามิโกตัญญ า, าไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง ยาวาเทวาอิมาสกายาสติปิยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอันสมบัวิงตุปาจียาเพื่อความสิ้นไปแห่งความระบากทางกายรมะจาริยานุภาญา เพื่อหานุเคราะแก่การประสึกตรงมัจจันเจติภุรานันจเวทนาปฏิหันสามิช่วยการทำอย่างนี้เรายอมรับเสียได้ซึ่งทุกขาเวทนาเก่าคือความหิวนาวันเจเวทนานาอุปาเนสามิแค่ไม่ทำทุกขาเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น จากาจะเมภวิสติอันนาวจาตาจาพาตุยหารุชาติหาเหน่งความเป็นไปโดยสะดวกแข่งอาสภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษนี้ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจยากมีแกเราตางมี นาจามายาอาปะจเวสิสาวายังเตนะสนางบาลิกุตังเกนาสนาใดอันเราใจโสแล้วไม่สันที่การนานในวันนี้ธรรมยาวเทวสิทสัพพิฆาตายัเกนาสนะนั้นเราใจโสแล้วเพียงเพื่อความไวความนาว อุณหภูมิการกยะจายเพื่อบำบัดความร้อนตัณจะราชาดาตพัชริงสัพพสัมพัสานังปฏิทารายาเพื่อบมบัดสัมผัสอันเกิดจากเรียบยุงลมแดแสัตว์เล้ยควานทั้งลายยาวาเทวะอุตตปลิศยาวินโนานังปฏิสละนารามาทัง เพื่อวันเราอันตรายอันจากพึงมีจากมิฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่มิเพ่งสำลักภาวนาพาจะไมยาอปัจเจเวกิสตวายุปิรานาปัจเจยาเพตัสชะบริคารคปะริภุสโต เี S S na, so birthday, ha, ่านาเภสัจบริขานใจอันราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โตยาวาเทวาอุปนานตเวยาปสิกานเวทนานังปสิภาตายะที่ลานาเภสัจบริขาดในเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาปาต่างเป็นมูล อาปยาปยาปรมัตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเียนเป็นอย่างยิ่งจานี้